วัดป่าสารวันเรานี่ถ้าพระเนนช่วยกันคิดช่วยกันสร้างโอ้ยป่านี้มันเป็นมหาเศรษฐีแล้วเด้ขนาดตะแก่ดันทุรังอยู่คนเดียวนี่มันก็ยังมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาบ้าง